บูชาพระรัตนตัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่เแน่วมุ่งตรงหนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งกสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย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 ท้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า ก, กดลูกในตานะจ๊ะหลับตาให้ ส, สบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทำใจให้ว่งวางๆว่างปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็สมมุติปรางกาาของเรานั้น ตั้งแต่ภายในกะโหลกศีรษะในปากลำคอทรงอกแล้วก็กลางท้องปราศจากอาวัยวะภายในไม่มีมันสมองปอดทับม้ามไตหัวใจไส่ใหญ่ไส่น้อยเป็นต้นสมมติว่าเป็นที่โลง่ลงองวาง กลว ง, งเป็นโพรงภายในคล้ายท่อแก้วใสๆกลวงเหมือนท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์และความดีงาม ที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบา ร, รมีสามสิบทัศเลื่อยมาตั้งแต่ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมปัญญาิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบา ร, รมี มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะรวมกับอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนะธัรมรัตนะแล้วก็สังขรัตนะและพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดนี้ รวมเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านกลางท่อแก้วใสๆขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในใจของเราเนี่ยให้หมดสิ้นไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงอุปกิเลสทั้งหลาย นิวอนทั้งห้าสังย์เบื้องต่ำเบื้องสูงวิบัติบาสักศิษฐ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสักต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ละลายหายสูญไปหหมดให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทธอง์ ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆระดุเดเพชรลูกที่เจรนไนแล้วไม่มีขี่ควรคล้ายคนแมวไม่มีไฟฟ้าไม่มีตำหนิกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนพันเพลนอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ที่นั่งกันตามศูนย์ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศทั่วโลกเป็นผู้มาใหม่ยังไม่รู้จักว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั้นอยู่ที่ตรงไหนก็ให้สมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวา ตลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ทั้งสองตัดกันเป็นกากรบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับรายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ทั้งสองโสงขึ้นมาสองนิ้วมือ ตรงนี้แหละเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้เมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์รอยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะ ง, ไ ง, ไง่ายง่ายว่ญญาณในกลางท้องในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ เราะง่ายกว่านี้ไอีกก็คืออยู่ตรงกลางทง้องตรงตำแหน่งที่เรามีความรู้สึกมั่นใจแล้วก็พึงพอใจสบายใจนะจ๊ะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็ไม่ต้องไปกังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยว่าเรามั่นใจว่าอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้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 ให้อาใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่า ง, างๆเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาโราเรียนเป็นต้นออาใจนั้นนะ่ะมายหยุดนิ่งๆที่ตรงกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบาย ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ ก, กลางดวงใสใสให้ได้ตลอดเวลาตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสให้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสใส อย่างสบายสบาๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นนึกเนนึกหน้าแม่หน้าพ่อหน้าลูกหรือว่าแหวนเพชรอะไรต่างๆหล่านั่นหรือขันลังหน้า ดอกไม้ดอกบัวดอกกลาเป็นต้นนึกให้ง่ายๆอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าการตรึกไม่ใช่หมายถึงการเพ่งลูกแกว้วหรือไปเค้นภาพลูกแกว้วไอทะลักของมันในกลางท้องหรือไปควานหาดวงแกว้วในที่มืด ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆถึงดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจุนงกลางดวงใสๆอย่างนี้เรื่อยไปถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็ดึงใจกลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่าย อย่าไปหงุดหงิดในกรณีที่ใจมันอดแบวบไปคิดถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยไม่ได้อย่าไปบังคับใจอย่าไปห้ามอย่าไปฝื่นต่อต้านอย่าไปลำคาลํำคาญใจที่มันชอบแบวบไปคิดเรื่องอื่นเื่อยใจมันคุ้นกับอะไรมันก็ไปอย่างนั้นก่อนแต่พอรู้ตัวก็ ดึงใจกลับมาใหม่ง่ายๆมาหยุดนิ่งๆกลางดวงใสๆอย่างนี้นะจ๊ะแต่ถ้าทําอย่างนี้แล้วมันก็ยังอดที่จะแวบไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ค่อยๆประคองใจไปคำภาวนานี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการท่องโดยใช้กำลังแต่ให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่ดังออกมาจากกลางดวงใสๆคล า, า, ายเสียงสวดมนต์ในใจในบทที่เราคล่องหรือเสียงเพลงที่เราชอบแล้วก็มันดังในใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจร้องเพลงเลย ให้บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรหังสัมมาอรังตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดลงไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจุ่งกลางดวงใส ร้อมกับภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังอย่างนี้เนะ่ยเรื่อยไปเลยทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเราก็ยังคงตรึกนึกถึงดวงใสใจจุดจุดตรงจุดกลางกลางของดวงใสๆภาวนาอย่างนี้เนะ่ยเรื่อยไป จนกว่าใจจะหยุดนิ่งๆไม่จใจหยุดนิ่ ง, ง, ม, งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการ ค, คล้ายๆกับเราลืมคำภาวนาไปแต่ใจนะั้นะไม่ฟุ้งมันหยุดนิ่งเฉยๆที่กลางดวงใสๆเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนา ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาพาวนาะสัมมาแรงให้รักษาใจที่ใสไสหยุดนิ่งที่กลางดวงไสใสกลางทองของเราที่เรามั่นใจว่าเป็นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะไปทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละ แต่ถ้าหากว่าดวงใสๆมันไม่ชัดเจนก็อย่าไปพยายามเคนภาพเคนใจให้มันชัดให้มันใสให้มันสว่างนะจ๊ะมีให้เราดูแค่ไหนเราก็ดูไปแค่นั้นจะคุ้มๆกัําำรัวๆลางๆก็ช่างมัน กระเตรึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆใจเย็นๆค่อยๆประคองใจของเราไปเรื่อยๆแต่หากว่านึกไม่ออก <ๆ S 2> ก็ช่างมันเอาใจนิ่งๆอยู่ที่ตรงตำแหน่งที่เรามั่นใจพึงพอใจ สบายใจในกลางทองของเราหนึ่งใช้แม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่อยๆภาวนาสัมมาอรังหรือจะไม่ภาวนาก็ได้นะจะให้หนึ่งใช้ๆอย่างสบายๆมืดหรือสว่างไม่ต้องไปสนใจจะเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพหรือไม่มีอะไรใหม่ก็ช่างมัน ไม่มีอะไรมาให้ดูใหม่ๆก็ช่างมันนะลูกนะจะไปงุดงิดจะไปลำคานจะไปฮึดฮัดให้ทำใจเย็นเย็นเบาบเบาคล้ายๆกับตอนที่เรากลาจะหลับนั่นแหละคล้ายๆกับตอนที่เราเคลิ้มๆคลายๆจะหลับแต่เรายังมีสติอยู่รู้ตัวอยู่ ก็ค่อยๆประคองใจให้นิ่งๆนุ่มๆละมุนละมัยไปเรื่อยๆคลายๆก็ตอนที่เราเคลิ้มๆก็ไหลจะหลับแต่ถ้าหากว่ามันจะเผลอหลับเพราะร่างกายต้องการพักแม้ว่าใจจะสู้ถ้ามันเผลอก็ปล่อยให้มันหลับไป อย่าไปฝืนมันนะลูกนะพอฝืนแล้วมันจะไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะสะเทือนถึงระบบประสาทและกล้ามเนืน้อถ้าจะหลับก็ปล่อยมันแต่หลับตรงกลางกายของเราหลับแล้วต้องได้บุญหลับแล้วใจของเราจะต้องถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ด้วย เพรนั้นปล่อยอย่าไปเฟื่อนมันมันจะหลับไม่นานเท่าไหร่พอสดชื่นมันก็ตื่นของมันเองพอตื่นมาเนี่ยตรงนั้นสําคัญพอตื่นมาเนี่ยอย่าปลีบผามลืมตานะลุงนะอย่าขยับตัวอย่าเฝื้อนลืมตาอย่าเผลอลืมตานะอย่าขยับตัว ให้นิ่งๆตรงที่สดชื่นมันจะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันแล้วก็ยังคงนิ่งเฉยๆตรงที่มีความรู้สึกว่าสบายแม้ว่ามันอาจจะไม่อยู่ที่กลางท้องอาจจะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้ข้างนอกข้างหน้า ออกตัวเราหน้าตัวเรากะช่างมันไปก่อนอย่าลืมตานละ้วเท่านั้นนะนิ่งๆเฉยๆหัวเรียวหัวต่อลราตรงนั้นสําคัญถ้าประคองใจเป็นอย่างสบายๆเพราะตอนเราตื่นใหม่ๆนะมันสดชื่นและอารมณ์มันยังเบาอยู่สบายอยู่เราก็ยังไปลืมตานิ่งเฉยบางคนนะอาจจะมีความรู้สึกว่ามัน ตัวเราเป็นพโพรงกลมมั่งตัวหายไปมั่งตอนนี้อย่าไปกังบนหาศูนย์กลางกายนะกำลังจะดีแล้วพอไปหาศูนย์กลางกายไปยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะจิตมันก็เลยอยากขึ้นมาตอนนั้นไม่ต้องไปหาแล้วสบายตรงไหนก็ตรงนั้นแหละ หนึ่งจยปล่อยให้ตัวมันหายไปเราจะพักผ่อนอย่างลึกๆพักผ่อนลึกๆมันจะสดชื่นแล้วมีพลังแล้วก็มีกำลังใจที่จะนั่งต่อไปในวันต่ อ, ตอไปแล้วเราจะดื่มดากับความสุขที่ละเอียดอ่อนนั้นที่มันสบายสบาย ถ้าตื่นมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้นะลูกนะแต่บางคนพอนึกอยากจะให้มันหลับคือปล่อยมันให้หลับก็ช่างมันไม่หลับก็ชชังมันมันเกิดไม่หลับกับสดชื่นคือตัวหายไปเลยนะก็ให้ทำแบบเดียวกันคือให้ดื่มดำกับอารมณ์ที่ละเอียดละเอียดละเมียดละไมที่ ความรู้สึกของร่างกายเราไม่มีนิ่งให้นานที่สุดนานแค่ไหนก็ช่างมันจนกว่ามันจะถอนขึ้นมาเองไม่ใช่เราไปนึกอย่างนี้ว่าเออมันสบายดีมันน่าจะมีอะไรให้เห็นบ้างพอคิดแค่นี้จิตมัเลยถอนขึ้นมาเลยดังนั้นตอนนี้นะอย่าไปใช้ความคิดนะ ทำจิตให้นิ่งๆ น, นุ่มๆเบาๆอยู่ที่ตรงนั้นแหะตรงไหนก็ได้ตรงนั้นแหละตรงที่สบายแล้วมันก็จะเพลิดเพลินสบายสบายเริ่มมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ยากนะนั่งสมาธิเออเราเป็นประการพักผ่อนถึงสองชั้นเดียวพักตื่นเตือนชั้นหนึ่งตอนที่เราปล่อยให้หลับกับที่เราตื่นจากหลับ มันตื่นตัวภายในพักไปอีกระดับที่มันลึกกว่าเดิมเหมือนเราเดินในน้ำาตือนๆตืนยังชื่นใจเดินด้ใจหาเอาเท้าจุ่มน้ำะตื่นๆตื น, ตนยังชื่นใจนะถ้าจะลึกๆจะชื่นใจขนาดไหนนี่ก็เหมือนกันตรงนี้นะเราจะได้เริ่มรู้จักความละเอียดของใจอีกมิติหนึ่ง ถึงแม้ยังไม่ถึงดวงธรรมภายในนะก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อมันดีมันประณีตอย่างนี้นะแล้วเราก็ทำความคุ้นเคยกับมันให้งานที่สุดทีเดียวพอถอนมาก็ช่างมันส่วนวันหลังเรานั่งและไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าไปเสีย อ, อกเสียใจนะ เเวลาเริ่มนั่งก็อะเพิ่งไปอยากอยากให้ได้อย่างนี้อยากก็ไม่เอาไม่อยากก็ไม่มีทำเฉยๆอย่างที่แนะนำมาตั้งแต่เบื้องตน้นถ้าใครเมื่อยก็จะไปฝืนอริยบทมันเรานั่งเอาธรรมะไม่ใช่นั่งเอาท่าสวยเพราะะนั่นเมื่อยแล้วก็อยาบง่วงก็หลับ พงศ์ก็ภาวนาถ้าภาวนาสู้ไม่ไหวก็ลืมตาดูคุณยายดูคุณยายของเราท่านั่งที่ศูนที่บานทั้งภายในหรือต่างประเทศก็ลืมตาดูสิ่งที่ทำให้เราสบายสบายดูตรงไหนก็ได้พระพุทธรูปดวนแก้ว ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือคุณญาอาจารย์หรืออะไรที่ทําให้สบายใจพอสบายใจแต่อย่าเพิ่งลุกจากที่นะจ๊ะพอสบายใจดีแล้วก็ค่อยๆอย่าหลับตาทันทีนะค่อยๆทําค่อยๆแล้วก็จะเคลิมเคลิ้มค่อยๆหลีตาลงหลีตาลงทีละน้อยน้อยๆจะถึงก็ให้ปิดสนิทแล้วก็ รักษาระดับนั้นเอาไว้นิ่งๆนุ่มๆสบายๆไม่หวังว่าจะได้เห็นอะไรแต่ให้การเห็นภาพเป็นผลปลอยได้เป็นบายโ o d u c t นะจ๊ะให้เป็นผลปลอยได้เกิดขึ้นมาเพราะเราวางใจได้ถูกส่วนสิ่งที่สำคัญก็คือ ให้คุ้นเคยกับความประณีตละเอียดละเียดละเมียดละไมของใจที่เป็นอิสระในเบื้องต้นที่มันหลุดพลุ่วจากกาย่าไปเคลงคว้างเหมือนอยู่กลางท้องฟ้าในเวลาที่เดินมืดท้องฟ้ามืดสนิทมันก็ไม่เห็นอะไร เราก็หนึ่งให้คุ้นใจคุ้นกับความละเอียดละเ ม, มียดละเมียดละไมที่มันนุ่มๆห น, นึ่งๆละมุนละไมแม่ไม่มีอะไรให้ดูกระช่างมันนิ่งเฉยๆคุ้นอย่างเนี้ยเรื่อยๆไปมันจะเป็นรางวัลชีวิตให้กับเราทุกๆครั้งที่เรานั่งภาวนา จ ะ, จะเป็นรางวัลชีวิตให้กับเราแล้วก็เวลาเราจะออกจากสมาธิก็ค่อยๆเหยือเปลือกตาขึ้นมาเบาๆอย่าปรีผามลืมปลวกขึ้นมางั้นไม่เอานะค่อยๆลืมตาขึ้นค่อยๆเปิดปเยอเปลือกตาทีละน้อยทีละน้อย แล้วก็ น, นั่งนิ่งสักหนึ่งหรือสองนาทีให้หนิ่งเฉยๆจนเราคุ้นกับความนิ่งแล้วก็ถ้ารักษาอารมณ์นี้ได้ก็ให้รักษานานกี่นาทีช่างมันอาจจะได้หนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างสบายๆให้สมองเสมอทำไปวันต่อวันหากินกันไปวันๆเหมือนหายใจเนี่ยเราหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ไม่กี่นาทีนะเดี๋ยวเราก็หายใจออกก็อยู่ได้อีกไม่กี่นาทีก็ต้องหายใจเข้าเข้าออก ข้าวออกมันอยู่ได้ไม่นานใช้ไปทีละช่วงของเวลาหรือเวลาเรารับประทานอาหารทานตอนเช้ามันก็อยู่ได้แค่ถึงเที่ยงอากานตอนเที่ยงอยู่ได้ถึงเงยง็นออกทานตอนเย็นอยู่ได้ถึงกลางคืนอย่างนี้นั่งธรรมะก็เหมือนกัน แล้วก็เอาวันต่อวันวันต่อวันนั่งอย่างธรรมดาสบายบายใจเย็นๆไม่ช้าก็จะสมหวังดังใจเพอใจเริงคุ้นกับความละเอียดและเรามีความสุขกับการนั่งแม้ไม่เห็นอะไรมันก็จะขยายเวลาในการนั่งออกไปเองด้วยความสมัครใจของเรา นั้นจะขยายเวลาในการนั่งออกไปเองโดยที่เราเต็มใจสมัครใจไม่ฝืนไม่พยายามการทำอะไรได้วยใจรักมีฉันทะมีความสมัครใจเต็ ม, ใ จ, มใจทำนะมันมีความสุขมันไม่ฝืนแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีทีเดียวนั่งสมาธินี่เหมือนกัน ถ้าทำแล้วรู้สึกเป็นสุขสนุกกับการทำนะมันจะนั่งได้นานนั่งได้บ่อยๆและไม่ช้าใจาก็จะคุ้นกับความละเอียดเมื่อความละเอียดสั่งสมเพิ่มขึ้นทุกๆวันมากพอที่มันจะนิ่งได้สนิทถูกส่วนไปเอง อนนี้แหละเราจะเข้าถึงดวงใสๆที่มีอยู่แล้วภายในเข้าถึงกายใสๆเข้าถึงองค์พระใสๆที่มีอยู่แล้วภายในเข้าถึงองค์พระในองค์พระองค์พระในองค์พระท่านก็จะพุทธพานขึ้นมา ใครคลากายจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนแต่จริงๆแล้วท่านออกมาจากตรงกลางตรงกลางที่เวองวางนั่นแหละและจริงๆก็ตรงกลางกายของเรานั่นเองผุดขึ้นมานะจากเห็นองค์เล็กๆก็ค่อยๆขยายโตขึ้นเท่าตัวเราใหญ่กว่าตัวเราแล้วก็มีองค์ใหม่ใหญ่กว่าองค์เดิมนะ่ะ พุดขึ้นมาอีกที่ละองค์ที่ละองค์ที่ละองคนะก็ใสละเอียดประณีตเรารู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันเกลี้ยงเกลาเหมือนถูกกลั่นให้บริสุทธิ์โดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแลวก็จะได้สัมผัสความสุข เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่งเมื่อองค์พระผุดผ่าขึ้นมาเรื่อยๆผ่านขึ้นมาใสสว่างองค์พระในองค์พระองค์พระในองค์พระเดี๋ยวแล้วก็ฝันได้ฝันได้เห็นองค์พระองค์นี้อ่ะต่อไปเห็นอีกองค์หนึ่งพุดที่ละองที่ละองที่ละองค์ ใสละเอียดใสละเอียดสว่างเนียนตาละมุนใจโตใหญ่ขึ้นเรารู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยมีความมั่นใจอยู่ในตัวชีวิตนี้เนี่ยเราปลอดภัยแล้วก็จะมีชัยชนะมีสุขในทุกสถานที่ จะมีกินแล้วไม่มีกินก็มีความสุขใจมันจะนิ่งใจเฉยสบายเบิกบานในอาสนะเดียวแม้ที่นั่งแค่หนึ่งตารางเมตรที่เรานั่งอยู่เราก็สามารถสแสวงหาความสุขได้สแสวงหาความจริงของชีวิตได้ความรู้ภายใน ซึ่งเป็นความรู้ที่แท้จริงเราก็สามารถแสวงหาได้ด้วยพระภายในซึ่งทันยกรรกายวาจาใจถ้าทาเห็นจำคิรู้เราให้สะอาดไปเรื่อยๆยิ่งใจใสสมบัติใหญ่ก็จะยิ่งไหลมายิ่งใจอยู่ตรงกลาง สตาง์ก็ไหลมาดด่งใจอยู่ตรงกลางจะทำมาค้าขายก็รวยสมบัติใหญ่มาเนี่ยรวยทั้งสมบัติโลกยทรัพย์รวยทั้งบุญบารมีบิมมาณของเราก็จะใหญ่โตโอราณทีเดียวใหญ่โตสวยงามว่าเราเห็นองค์พระเราจะปรารถนาจะไปอยู่ชั้นไหนก็ได้ เราเป็นเศรษฐีบุญแล้วจะไปอยู่ชั้นไหนก็ได้แต่มักจะนิยมไปอยู่ชั้นดุสิตซึ่งเป็นชั้นที่มีพระบรมโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตตโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ที่เป็นอนิยตตโพธิสัตว์และก็ผู้มีบุญทั้งหลายที่สั่งสมทานศีลภาวนา บุญยะกิาวัตุอีกสิบประการหรือบรมีสิบทั์เนี่ยเราจะมีสิ่งแวดล้อมที่ล้วนแต่เป็นผู้มีบุญเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระบรมโพธิสัตว์เมื่อเจอหน้ากันโดยความเป็นสหายแห่งเทวดาก็จะสนทนากันโดยถ้อยคำที่ไพเราะ รากเรื่องราวของการสร้างบรมีทำไมมีมหาปิติอย่างลัสมีกายของเราเนี่ยสว่างสวัยใหญ่โตโอรณทต่เดียวบริวารก็จะเยอะสมบัติอันเป็นทิพย์ก็มากมายเราจะตายวันไหนเราก็ไม่หวั่นไหวจะตายที่ตรงไหนในบ้านนอกบ้าน เวลาเช้าสายบ่ายเย็นกลาคืนตอนไหนได้ทั้งนั้นเพราะเรามีความพร้อมแล้วองค์พระใสใจใส่ใสใจใสๆใสเนี่แหละมันอิ่มอกอิ่มใจมีความรู้สึกพพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวมีอยู่ตรงนี้แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐน่าปลื้มใจ ไอ้ความน้อยอกน้อยใจในบุญวาสนาบารมีบารามีทรัพย์น้อยมันก็หมดไปว่ารามียศถาบรรณาสักน้อยมันก็หมดไปใจมันก็จะมีแต่ความเบิกบานชมำชื่นฟูใจอยู่ตลอดเวลาช้ำใจนะประใจใสมาดาเห็นองค์พระใส ขดเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นทะเลแห่งองค์พระที่มากมายกายกองทีเดียวมันเกิดขึ้นในภายหลังนดู้้นะตอนนี้เราได้แขนไหนเราเอาแขนนั้นก่อนให้พึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในตอนนี้นะ ทำตรงนั้นตรงนี้ให้ได้ซะก่อนเดี๋ยวตรงนั้นเราจะได้เองอย่างแน่นอนล้านปเปอร์ซ็นต์นะลูกนะเมื่อใจอย่างนี้ดีแล้วต่างคนก็ต่างฝึกใจให้มันหยุดฝึกใจให้มันนิ่งให้ใจใส่ในระดับที่เราทําได้นะลูกนะในระดับที่เราทําได้นะจ๊ะ